พระธรรมเทศนาแผ่นที่85าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กุมภาพันธ์ 2,559 มีชื่อเรื่องว่ากราบคุณธรรมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห กุมภาพันุ์พุทาศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้จะมีการบวชพระนะมีพระบวชสององค์วันนี้เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงพระอุปชาคงจะลงมาจากภูก้อนก็คงจะเตรียมการบวชพระพระสององค์บวชง่ายๆบวชแบบกรรมฐาน ไม่ต้องแห่น่งแหน่นากพอบวชเข้ามาก็นั่นน่ะพระพุทธเจ้าเห็นไหมตัวอย่างพระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงวังกลางคืนอี่างหากักหนีออกประมาณเที่ยงคืนไม่ได้แสแซงแสง้แซงให้เราจะจะเด็ดออกไปบวชนะ พระพุทธองค์ไม่ได้ว่าหนีออกจริงๆไม่มีใครรู้รู้เป็นความลับก็คือนายนนะจากนันก้นไปจับมา้าขันทกะเอามาจาับคอตกแตงนะ่งขึ้นขี่หลังบึงเลยถ้าว่าบอกให้พี่น้องประชาชนคนกรุงกบินลพนัเน์เราจะไปบวชแล้วนะคืนนี้นะหรือวันนี้นะ วันที่ตอนนั้นเท่านี้นะชาวเวียงชาววังเขากบรักเจ้านายอยู่แล้วคงจะมานอนขวางปิดถน น, นเต็มไปหมดมาจนม้าออกไม่ได้ <ś c oughs> เพราะว่ารู้ว่าเจ้านายจะหนีออกจากเวียงวังแต่นี้ไม่มีใครรู้เลยพระพุทธเจ้าจิตตะะหนีออกจากเวียงวังกลางคืน จนไปถึงที่บวชนะบวชแบบเรียบง่ายไม่มีใครปร่งผมให้อีกต่างหากใช้พัดแสงดาบที่ติดพระองค์คือพระเจ้าเป็นดินไปนสถานที่ใดต้องมีพระแสงดาบแสงดาบนะคำนี้คงจะคมเกล็ดพอจับพระโมลีขึ้นมาพร ะ, พระเจ้าเป็นดิน ไว้ผมผมยาวม้วยผมม้วนผมพอจับม้วยผมขึ้นมาแล้วก็ใช้พหมูใช้ประแสงขันตัดเลยดาดตัดตัดผมแต่ไม่ถึงกับโกนนะพอตัดทีเดียวเท่านั้นละ่ะก็ไม่ได้ปลงผมอีกผมขึ้นมาเส้นไล มาเช่นใดก็ขอดมันหมุนม้วยเหมือนกับขอดมันก็ก้นหอยผมพระพุทธเจ้าไม่ยาวพระเกศาพระพุทธเจ้าไม่ยาวอยู่ในติดกับศรีรษะของพระพุทธองค์ไม่ได้ป่งผมอีกตัดพระโมลีเป็นครั้งแรกและก็จบ อันนี้ในในมาในพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าไม่ยาวพอขึ้นมาแล้วก็หมว้หมวนขดเป็นกลอนหอยหมดแล้วก็ไม่ยาวทำให้เป็นอย่างงั้นอันนี้คือท่าหาว่าเหมือนกับคนทั้งหลายก็เหมือนกับคนทั้งหลายปุถุชนฮะอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญมาแตกแตกต่างกว่า โลกทั้งหลายสัพสัตว์ทั้งหลายในโลกจะได้ตัดจะรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นจึงแปลกแตกต่างกว่ามนุษยชาติและขวันพรุ่งนี้พวกคณะญาติโยมจากกรุงเทพเขามาท่านมาในฐานะครอบครัวไม่กี่คนก็คงจะมาทำพิธีถวาย พระลุบเหล่ามั่งหวนพวกนี้แต่ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราหรอกแต่เขาคงจะมีพระสงฆ์เข้าไปนั่งรับพระประธานแต่มเมื่อวานนหลวงพ่อก็ไปดูแล้วละ่ะไปดูพระประธานที่หลุบเหล่าแต่ก็สวยงามนะสวยงามทีเดียวเป็นพระหินดําอย่างงี้นะ พรหินดำกเหมือนพวกเราเน่หินนินสเปนช่างมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอบแกะนะแกะจิตเสร็จแล้วก <c oughs> เขาก็ส่งมาก็มีพระสาวกอีกสององค์แต่เจ้าภาพที่มาถวายวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นถวายพระประธานหน้าตักเม็้าสิบ แล้วก็ข่าแกะสลักนะหลานห้านะลุกหลานแตทาญายามนะแพงอยู่นะพกแกะหินทั้งก้อนนะกว่าจะแกะได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็พระสาวกองค์ละห้าแสนสององค์โมกขราสาริบุตรอยู่ข้างๆนะองละห้าแสน <c oughs> เป็นหินดำเหมือนกัน หลวงพ่อเดี๋ยวนี้ใครๆจะสร้างพาระหลวงพ่อจะเน้นไปทางหินเพราะจะอยู่ได้นานเท่านานเท่านานถ้าว่าเป็นทองก็ดีก็สวย ง, งามดีแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าล่ะาบางทีเอาม า, าหลอมออกมาทบุบ อย่างประเทศลาวหลวงพ่อได้ยินทีสมัยเป็นเนหลวงพ่ อ, อยังสลดสังเวชใจเมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดเมืองลาวพระพุทธโกูกเมืองลาวอยู่ที่ไหนเนี่ยนะขนไปฝรั่งเศสไปหลอมเป็นลูกระเบิดลูกปืนพอเป็นทองเหลืองทองเหลืองทองแดงนี่แหละอันนี้ก็คือมาพิจรารณาดูแล้วก็หลวงพ่อเนี่ย ได้ยินแต่สมัยเป็นเนนเป็นเด็กแต่จะเทจริงยังไงเขาไม่มีใครไปพิสูจน์แต่มีมีแนวน้อมทีเดียวหรอกเพราะราะคนต่างศาสนาสมัยนั่นก็วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนละวัดทำร้ายทำลายเขาก็ไม่มีกฎและเบียบเข้ามาเห็นสมบัติต่างเยอะแยะเมืองลาวเป็นเมืองเก่าแก่เมืองพระพุทธศาสนา คงจะเอาไปไม่น้อยเหมือนกันอันนี้ก็คือหลวงพ่อมาพิจารณ า, นานดูส่วนหนึ่งพระประธานในวัดน่าจะเป็นหินหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อว่าน่าจะเป็นหินแต่จะเป็นหินก็เถอะอย่างที่ประเทศอินเดียคนต่างศาสนาเข้ามาก็เห็นไอ ช, ช้าอิ ช, ช้ากระทั่งพระพุทธโลกด้วยนะ ทั้งที่ท่านพระพุทธโล่ังกันนั่งอยู่เฉยๆพวกนอกศาสนามาก็เห็นอิจฉานะค้อนทุกหูบ้างหูหักบ้างจมูกแตกบ้างมือเดียวมือหักบ้างพวกเราจะไปเห็นที่อินเดียนะไปเห็นแล้วออจิตใจของมนุษย์แปลกแตกต่างจริงๆนานาจิตต่างนานาทัศนนะ แต่เขาก็ไม่มีค้อน8ปดปอนไม่มีค้อน6ปอนนะเขาก็เลยได้แต่ก้อนหินทุบไปทุบมาเปลี่ยงแต่แตกได้ต่นนั้นกระชาใจแล้วพวกบาปทั้งหลายนี่แหละพวกเราไปเห็นอยู่ที่อินเดียก็เกิดความสลดหดหูเหมือนกันแต่จะทำยังไงได้มันเป็นรุ่นก่อนเก่าแต่รุ่นใหม่เนี่ยเขาก็พยายามมาเสริมมาต่อเติม รักษาให้มันเข้าไปรูปลักษณะเกา่าแต่มันมากเขาก็ทำให้ทุกอง์ไม่ได้แต่เราก็ยังไปเห็นเห็นอยู่นี่แหละหลวงพ่อเออพระพุทธรูปถ้าหาว่าเป็นไปได้ถึงจะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่แพงกว่าทองเหลืองทองแดงนะพราะว่าเป็นหินเนี่ยก็น่าจะเอาพระพุทธรูปเป็นหินแกะสลักคนได้กราบได้ไหว ตัวแทนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือตัวแทนของพุทธะพอตั้งขึ้นมาแลอย่างนี้นะคือตัวแทนพระพุทธเจ้าเวลาเรากราบเราก็ไม่ได้กราบหินนะไม่ได้กราบหินดำแต่พวกเราท่านทั้งหลายมากราบหินดำนั้นไปว่าโง่มากเพราะเรากล่าบคือเรากลาบพระคุณของพระพุทธเจ้า เมื่อกราบพระลงไปกันแล้วเลือกถึงเออพระพุทธเจ้าเนี่ยสมมตุติพุทธะเนี่ย เ, เป็นรูปขึ้นมาอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรสอนให้พวกเรามีศีลห้าสอนให้พวกเรามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีการอยู่ด้วยการมีเมตตาต่อกันมีรักเคารพซึงกันละกันรู้จักแบ่งปันกัน ให้เสียสล ะ, ะอามิรคือข้าวน้ำโภชนาอาหารแบ่งกันวิทยาทานให้ความรู้ซึ่งกันและกันอภัยทานให้อภัยโทษต่อกันเมื่อใครทํรโดยไม่เจตนาก็ให้อภัยกันธรรมทานให้ธรรมะ สิ่งไหนที่เขาไม่รู้เราพอที่จะให้ธรรมะเขาได้เราก็ให้ธรรมะทานอันนี้ล่ะคือการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละพ่อแม่ก็เสียสละตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเมื่อออกมาแล้วกันเสียสละหมดทุกอย่างลูกเกิดขึ้นมาจะรู้จักอะไรแบเบามีแต่ร้องไห้อย่างเดียวเผอยังเดาใจไม่ถูกเดียวมาร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่าหิวก็ไม่ใช่ พันเพออะไรมันไม่สบายเรื่องอะไรพ่อแม่ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนในการเลี้ยงลูกของตนเองนี่สรุปแล้วก็คือโลกใบนี้มันต้องอาศัยการเสียสละการอยู่ด้วยกันและเป็นใครเป็นคนสอนมานี่คือพระพุทธทเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้แนะนำอย่างพุทธะของเราเนี่ยถ้าพวกเราได้ศึกษาพระธรรม84000ี่พันพระธรรมมะขัน ไม่ใช่ว่าพูดคําเรียรแล้วก็จบไม่ใช่มีแตามากมายชั้นเชิงเล่เหลี่ยมมากมายจยู่ในพระไตรปิกถ้าเราได้ค้นคว้าศึกษาเข้าไปแล้วทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมคดีโลกวางตัวยังไงคดีทำการเป็นอยู่ยังไงจรยิยธรรมควรทําตนอย่างไรและแนวความคิดส่วนตัวอีกต่างหาก แนวความคิดส่วนตัวพระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดยังไงคิดส่วนตัวในการจะชําระกิเลสภายในใจโลภโกรธหลงให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นพระอราหันตสาวกทํำยังไงเพราะท่านทำมาพระพุทธเจ้าทำมาแล้วได้ตรัสรู้มามาแล้วพระพุทธองค์คิดยังไงจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้น อันนั้นคือแนวความคิดพุรธศาสนาในสอนสอนความคิดนะลูกหลานนะเน้นใ น, นทางความคิดแต่โลกทั้งโลกทุกวันนี้ก็ว่าสมองออสมองเป็นผู้คิดแต่ในหลักของพรธศาสนาท่านไม่ได้ว่าสมองท่านว่านามธรรมตัวผู้รู้ใจดวงใจหรือหัวใจ เ, เป็นผู้คิด แต่สมองเป็นเครื่องอาศัยตนเองเมื่อสมองคิดขึ้นมาแล้วก็บอกให้ตาลืมเลื่อมตานะตาก็ลืมมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ำเพราะสมองมันสั่งสั่งตาพอสั่งตาเสร็จ แ, แล้วเขาพูดอะไรสั่งหูอพอหูมันก็ได้ยินแต่ไปหูหูของเราจะไป ไปดูแทนตาก็ไม่ได้หูคือหน้าที่หูตาก็คือหน้าที่ตามันคนละแนวกันนะเออแต่ว่าตัวใจอยู่ข้างในอยู่ในสมองนะมันสั่งขึ้นมามันส่งขึ้นมาส่งขึ้นม า, นม า, นมาใจก็รับหูได้ยินส่งขึ้นมาหาสมองสมองรับสมองคลายก็วัดใจตรงนั้นน่ะมันเป็นนั่งอยู่ หยเครื่องคอมพิวเตอร์อ่าพอกล้องสายลูกเข้ามาไปถ่ายลูกมันก็วิ่งเข้ามาหาอหากล้องอเจ้าของที่ถือกล้องอยู่ก็ต้องดูรู้แล้ว่มันเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยแอบมนได้ไหมทั้งฟังเสียงทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งกายก็คืออะไรอย่างหน า, านชชวใช่ไหมลมพัดโชยหมานียมันก็รับรู้แหละทั้งที่ทั้งพูดอยู่พูดอยู่ก็ยังรับรู้ว่ามันหนาว เพราะสมองมันรู้นะเพราะมันมีลมเข้ามานะในขณะนี้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือสมองเนะนี่ยมันใจเนะี่ยมันรับมันรับทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางลิ้นเนะี่ยก็คือเมื่อทานอาหารเข้าไปนะก็รู้ล่ะรสเผ็ดรสเค็มรสเป็นยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเข้าไปส่งเข้าไปหาใจทั้งหมดใจเป็นผู้รับรู้ รู้เรื่องต่างๆตาสั่งให้มองอะไรให้เห็นอะไรให้ดูอะไรหูให้ฟังอะไรจมูกมันมีกลิ่นอะไรเข้ามาลิ้นลิมรถกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้เลยคือด้วนแหละแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะให้สอนให้พวกเรา ให้สังเกตให้รู้ให้ดูในเมื่อดูรู้เห็นแล้วทำยังไงรู้แตกสว ร, รู้เห็นแต่สักว่าเห็นมันอยู่ในโลกนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านเขาเข้ามาจุดนี้อีกคือเป็นอนัตตาอีกเหมือนกันนี่แหละไม่ใช่ดูรู้เห็นธรรมด า, าแล้วกระจกไม่ใช่ในเมื่อเห็นเข้ามาแล้วเป็นยังไงเขาเบี้ยวปากใส่เขากำหมัดกำวยใส่ ใจของเราเป็นยังไงเมื่อเห็นอากับกิริยาอย่างนั้นดีใจไหมเสียใจไหมถ้าเขา <c oughs> <c oughs> เห็นเข้าไปแล้วเขายกมือไหว้เขาแสดงอากับกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนใจของเราก็ดีใจว่าเขาอ่อนน้อมถ่อมตนกับเราถ้าเขากำหมัดกำมวยแลบลิ้นใส่อตาทะลึ่งใส่ตาเกี้ยวใส่ใจของเราก็ เออมันอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วเออถ้าเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราอ่าจิตใจก็เยอะยเยออยอมรับเขารักเขาอีกต่างหากไปทางกิเลสราคะเอ่อถ้าเขากำมัดกำมวยใส่เอาอทำกับกิริยาไม่แสดงไม่เคารพคุณมาอารมณ์เราก็ชนขึ้นมาอารมณ์โทสะขึ้นมาทางเสียงก็เหมือนกัน ถึงจะหลับตาอยู่กเ็เถอะถ้าเขายกย่องสระเสริญขึ้นมาเนี่ยดีใจถ้าเขาดา่าแลยสิไอ้นั่นไอ้นี่ดา่าน็่ม่แสดงไม่ความค ร, รบมันก็ชนขึ้นมาอีก เ, อเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอีกนี่หละสรุปแล้ว ค, คือใจดวงนี้เนี่ยท่านจึงว่าถ้าไปเห็นทางต า, เ, าเกิดลาคะวคา่าคะาคกินา ถ้าไปเห็นอากัปทิญาที่เขาทำกับเราที่ไม่พอใจวโทสักขินาเนะีแล้วก็โมหักขีนาคือความหลงอยู่ในใจซะก่อนไปหลงทั้งรักไปหลงทั้งโกรธนะแต่ว่าโมหักขีนาคือโมหนะทั้งตาก็เหมือนกันทั้งหูก็เหมือนกันเมื่อเขาพูดเสียงไยเราะสนาะหู เออเสียงอ่อนน้อมหวานเกิดราคะขึ้นมาให้ใครว่าเป็นที่พอใจรักในเสียงนั้นแต่ถ้าเมื่อเขาด่าขึ้นมาดูถูกเยียดย้มเข้า ม, มาโมโหขึ้นมาเราใจของเราโมโหโกรธเพราะได้ยินเสียงที่เขาดา่าอากับกิริยานั้นไม่ดีอันนี้เราว่ า, าราคะกินาเมื่อได้ยินเสียงไพเราะ ทอสกินาเมื่อได้ได้ยินเสียงเขาด่าแต่ก็มีโมหะอยู่ในใจอีกเหมือนกันมันหลงอยู่แล้วเป็นพื้นฐานมันจึงจะไม่ให้เขาดดา้อย่างนั้นใช่ไหมจะให้แต่เขายกย่องอย่างเดียวอย่างนั้นใช่ไหมนี่มันคือความหลงของตนเองอันที่ทั้งหลงตัวนี้มาเข้ามาสู่จิตใจอีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือทางขนทางแล้วว่าสิ่งที่จะเข้ามา อสู่จิตใจจิตใจออกไปรับไปรับหน้าต่างหรือไปรับประตูประตูประตูกิเลส ท, ที่จะเข้ามาสู่จิตใจนะคือเปิดประตูเข้ามาสู่จิตใจนะมันมีอยู่หักห้าทางเข้ามาทางตานะแต่ไม่ใช่ตาเดียวทำเป็นสองตาต่างหากแต่มันก็นลักษณะส่งเข้ามาหาจุดเดียวกันนะอแค่ว่าตาอ้าไหลตัวหนึ่งเป็นตาแต่เป็นตาตาข้างเดียว เออมันคงจะบอดข้างเดียวมันคงจะลําบากมากธรรมชาติก็เลยให้เป็นสองตาไว้ <c oughs> เออเพราะนั้นให้ดูตาซ้ายตาขวาหูเขามันกันฟังเอาไว้หูซ้ายหูขวาหูก็มีสองออจมูกก็มีสองแต่ว่าปากมันมีเดียวนะปากเดียวนะ <c oughs> แต่ปากเดียวก็เถอะพูดนั่นก็อย่างพอแรงเหมือนกันนะแต่มีสองปากน่ะพอแรงเหมือนกันมนุษย์เรานี่ยนะ ขนาดปากเดียวนะก็ยังน่าคิดเหมือนกันฮะนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันส่งเข้ามาหาใจตัวผู้รู้ตัวเดียวนั่นน่ะอ่าตอนนี้เมื่อส่งเข้ามาแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าตั้งให้ดูใจได้เถิดมันไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอใจไม่พอใจ เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะตัวใจเทนีท่านอ่นนันเพียงแต่ประตูหน้าต่างเท่านั้นเองแต่มันผลในสุดมันเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดทีนีน้เพราะนั้นให้พวกเราการปฏิบัติหรือว่าการภาวนาหรือการพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ดูใจนะเท น, นีนี่แหละเวลาเรากราบพระพุทธรูปกดีกราบพระธรรมคาสอน เรากราบพระธรรมคำสอนเพราะพระอจารสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ดใหูให้แนวความคิดของพุทธานแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมะขันเพราะนั้นเราจะหยิบยก ต, ตัวไหนมาพูดมาแสดงมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวที่ได้รู้ได้เห็นมานพวกเราฟังดูสิที่หลวงพ่อพูดนี่แหละอันนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันออกไปจากไหนออกไปจากใจ ใจเป็นผู้รับรู้ในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพอได้รับสิ่งที่พอใจไม่พอใจก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพอน้ำออกมาจากใจมองจากใจกดูใจเลยใจกระทั่งไม่ให้มันคิดนเอมันกระดุกเด็กกุกเด็กกูะดุกเด็ ก, ด ก, ดกให้ใจของเรามันไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเรามีสมาธิดีนะ มีสติดีมีสมาธิดีและก็มีปัญญาจ อ, อเข้าไปคิดเข้าไปในจุดนั้นเนี่นแหละแต่ชำระกิเลสไม่ใช่ชำระที่ไหนนะชำระที่ใจใจให้รู้แจง้งเห็นจริงใจไม่เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการ อไม่ต้องมาคิดเผากันอีกแล้วใช่ไหมาวพวกเราตัดกิเลสไม่ได้นะเดี๋ยวก็เผากันอีกเผากันเผาชาตินี้แล้วก็เกิดอีกชาติหน้าก็เผากันอีกก็เกิดอีกเผาอีกก็เกิดอีก ก, อก็เผาอีกอยู่ไม่รู้จักจบจักสิน้นเพราะหะไรเพราะอาตัวกิเลสราคะโทสะโมหันพาพานําพาใจดวงนิ้พาไปเกิด พาไปเกิดในวัฏสงสารเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารเพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะศึกษาธรรมะทำคําสอนของพุท ธ, ธะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะอถ้าเราศึกษาอันนี้คือหลวงพ่อพูดธรรมะขั้นสูงให้กับพวกเราฟังวันนี้ <c oughs> ธรรมะขั้นสูง น, ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนะ วันนั้นเรากล่าวพระพุทธเจ้าไม่ใช่กลาวพระพุทธรูปเฉยๆนะกลาวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือเราสมมุติขึ้นมาอือ๋อนี่คือพระพุทธรู ป, ปรูปลักษณะอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยเห็ น, นรูปลักษณะอย่างไรแต่เราขึ้นมาจะเป็นดูณสถานที่ใดเราก็รู้อันนี้คือพระพุทธรูปเขาสมมุติขึ้นเป็นพุทธนะในเมื่อพุทธะพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเนี่ยล่ะ เราก็ต้องเด็ดดิ่งไปหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนออให้ทําดีละชั่วออละชั่วทำดีและก็เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้รู้จักเคารพบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ให้รู้จกบบักสูงให้รู้จกักต่ําให้รู้จกัจกสิ่งควรไม่ควรอันไหนควรทําอันไหนควรพูด พูดยังไงมันผิดพูดยังไงมันถูกถ้าพวกเราไ ด, รได้รับการศึกษาดีแล้วเนะ่ะการวางตัว น, ะนั่นแนะอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะนะถ้ามาเข้ามาหาห <c oughs> ลวงพ่อนะี่ยหลวงพ่อก็จะสอนนะอพอหลวงพ่อเป็นพระศึกษามาเรื่องพระพุทธศาสนามายาวนานแต่พวกเราไปศึกษาที่อื่นอาจจะเป็นปรัชญาอย่างอื่น คำพูดอย่างอื่นแต่ถึงยังไงคนผู้ที่พูดออกมาถ้าพูดเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจะได้ยัดทำแล้วถ้าอยู่ในเมืองไทยนะเมืองไทยเมืองลาวเนี่ยต้องอ้างอิงต้องอ้างอิงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอ้างอิงทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเกือบทั้งนั้นแหละเพราอะไรเพราะาเราปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดของพวกเราเป็น พ, พุทธศาสนิกชน ต้องได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบัติเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตลอดถึงภาษาตลอดถึงศัพท์โดยมากเป็นศัพท์ของพระพุทธศาสนาเกือบทั้งนั้นในเมืองไทยของเรานะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งหนะ้าแล้วก็เมื่อวันผู้ที่เกี่ยวข้อง เ, อเมื่อ ฉันยังหารเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปบวชกันข้างในศาลาข้างในจะมีการบวชพระสององค์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันตอ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุมัตินาให้พรรับพรนัตินีเนาะ